เรื่องลอยกระทงโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยความเนื่อยพรสุริสวัสรที่พัฒนมอมงคลความพาสุขทุก ป, ประการจงบางเกิดมีแดดที่น้องชาวเผนาวาตลอดทั้งตำบลใกล้เคียงของเผนาวา ท, ทุกท่านที่ได้มาร่วมในงาน เทพอการลอยกระทงในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านหนึงหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิจฉาคือถ้อยคําอันประกอบไปได้วยธรรมแล้วซึ่งจะเป็นถ้อยคําที่ประกอบไปได้วยธรรมคำซ้อนในทางพระพุทธศาสนาเึงญขอให้ท่านหนึ่งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟั ง, งกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ประสาตนาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในการดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตของท่านทาั้งหลายโดยทุก่กันทุกท่านุกคนในโอกาสนี้ในช่วงแรกนี้ก็จะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังของท่านทั้งหลายก่อนว่า อาตมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความเป็นอิสระในการฟังโดยท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งถนอมมือโยนในขณะนี้อาตมาภาพขอใช้สิทธิ <c> ์ <oughs> ขององค์บาตรในงานนี้ขออนุญาตพิเศษท่ให้แก่ท่านทั้งหลายว่าให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงสั่ง ไม่ต้องพลานมมออหรอกเอาหูฟังไม่ต้องเอามืองฟังมันจะเกิดวรข้อปวดแทนปวดเราในร่างกายซะก่อนแล้วก็จะพันให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการฟังเลยจะไม่รับประโยชน์ในการฟังมะไรทั้งนี้เมื่อหันปวดมือขบก็จงพลิกไปพลิกมาสนามยาของเรามันกว้าง ถ้าหาท่านรู้สึกว่ามันร้อนก็จงใช้คนติประลามีเพิ่มขึ้นท่านนั่งกลางกลางลานสนามย่าไม่ค่อยจะไม่ไม่มีร่มไม่มีเงาแต่ตอนนี้มัก็แดดร่มลมสกแล้วที่น้องชาวมุสลิมไปสวงบุญทีน่นครเมกบมดีนาะพิธีฮัสจีพิธีถือบวช ทางกลางทะเลสายอันเวิร์วางฝุนตลบอบอวนเดินทางกันสองสามพันสี่พันกิโลจากลุ่มน้าจอแดนไทยกีส ช, ชุปเตะลุ่มน้าให ม, ม่สูู่งย์กางที่นครเมกะและมันดีนาเดินมนุษวยเท้าเปล่าในสมัยโลกไม่เจริญการนาวิทยาศาสตร์ไปไกลนั่งอยู่กลางทะเลสายมือพายหยุบฝนพัดมามากๆแล้วจานั้นก็เดินฝ่าเปลวแดดอันแพรผู้ชีพบรรทุกน้ํา ในทุงนังบนหลังอุกม่ใช่ความโปรยยามอดทนกันเหลือเกินเพราะความเชื่อในพระอัลลอฮเจา้าเพีงองค์เดียวนะแต่วันนี้ทนนั่งตางสนามยากแล้วก็ไม่แดดร้อนเท่าไหร่หรอกตะวันคลอยรับแสงไปหน่อยแล้วเนี่ยแล้วให้ฟังก่ฟังสิ่งที่เราจะได้นามาพูด ก, กันวันนี้ธดรว่าเป็นการที่เราจัดการเป็นกรณีพิเศษ ปารบเทศที่ทางท่านนอำเภอผู้วังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนและเป็นผู้นำชาวบ้านจัดงานเทศกาลอาร่อยกระทงประจําปีอเภรนาว่าของเราแทนที่ท่านจะเพียรดูนังดูละครกังคืมกันขับร้องป้อนลัดูการเล่นอะไรต่างๆให้สนุกสนานแล้วก็แห่ขบวนกระทง ปรากฏนานกพม่พมาให้ฝุ่นตลบกบตลาดเต็มบ้านเติมเมืองเปล่าท่านยังไม่พอท่านยังอยากจะให้มีประชาชนพี่น้องซึ่งภายใต้การปกครองของท่านได้ฟังการกล่าวปาตกรถาธรรมฟังเสียงพระพูดบ้างเพืจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนับว่าเป็นการกระทําที่ดีงามยิ่งคือได้ทั้งโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนนี่ลักษณะเช่นนี้ คือเรว่าเป็นลัคนดิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเอาประโยชน์ด้านทั้งสองด้านทั้งโทสติรั้งนิก็ะติกทั้งทางบวกทางลบทั้งประโยชน์ของทางโลกและทางธรรมดังที่พระพุทธองค์เราได้ตรัสเป็นพุทธภาษิกว่าอภัมมตโตโอุโพอเทยทิคนห้าหิปันฑิโตอัพพาทิสมัญญาจีโรปันฑิโตทิปวุจิติผู้ที่เป็นบัณฑิตดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นย่อมสามารถ ฉลาดสา ม, มารถถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้งนานไม่ว่าจะมาในเมียในให้ก็ตามนี่ฉันได้ก็ฉันนั้นท่านนายอำเภอก็เลยให้คนไปตามนี่มนอัตมามาการาปรทาทกถาทำโอ้ยกว่าจะได้มาพบกับท่านตาทุนรังหลายในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะท่านนึงหลายกว่าที่จะได้มารวมกันนี่ทั้งห้าหกตำบลของอำเภอนาว่ามมากันหมดทุกตำบลเนะ่ะ มันไม่ใช่เื่องง่ายปีหนึ่งจะมีสักครั้งเดียวดีไม่ดีแค่ในรอบสิบปีทีแ่แกมีเนี่ยและในขณะนี้ก็เป็นเรื่อดืเกแบบ็บเกี่ยวข้าวปลาอาหารหลังจากปักดํากันรอคอยกันมาเป็นแรมปีแล้วเป็เวลาที่กำลังยุ่งยากลาบากท่านทั้งหลายก็ยอมซื้อสละเวลาอันมีค่ายกเลิกการทํางานนั้นมารวมกันที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านต้องซื้อเวลาต่อการงานซสียเวลาที่จะต้อง มาเก็บเกี่ยวข้าวปา่าต้องเดินทางมาที่นี้เมื่อหน้าหลายตาทั้งหนุ่มสาวลูกเด็กเล็กแดงพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าเราอาตมานั้นก็ต้องตั้งใจที่จะมาที่นี้ซึ่งความจริงแล้วชุก ป, ปีเมื่อออกพรรษาปีนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาไม่ได้อยู่ที่วัดต้องออกก่อนเรมเข้าป่าเข้าดงจากป่าสุ ป, ป่าจากเขาสู่เขา เพื่อสวายหาสถานที่วิเวศสงบพบเศษเสนาสนปะป่าอันสงบดำเป็นสมณธรรมพาพระหนุ่มเน้น้อยอย่างเติร์ออกปฏิบัติการภายนอกสนามเอ็กซ์เพเดเชั่นออกซ้อมรบท <c oughs> นายหลายคจะแปลกแกว่าบ้าเนื้อครูแนวไหนผัดปลาไปจังซีไปหาซ้อมรบซ้อมยิงปืนบอกว่าไม่ใช่รบอย่างนั้นมีรบที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นคือรบกับกีเลศ ที่มันมองไม่เห็นตัวมันทำให้คนตายแล้วตายอีกเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกวนเวอยู่ในวัฏสงสารตายเย็นเย็นตายในขณะที่คนอื่นไม่รู้จักแต่มันเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกระเบิดปรามาณูถล่มที่โฮโีโรจิมบะทุกข์ยิ่งกว่าหัวรบนิวเคลียร์ของอเมริกันและโซเวียต ก, ษกษึกเดียวมันตาย เือสูงก็ยอมแสงแรงมหันชื่อวาจัน์ก็ยอมเห็นแสงเย็นอ่อนสุภาษิตบทหนึ่งคุณสังบอนตายด้วยร้อนอย่างไม่ร้ายเท่าตายเย็นถ้าสมมติว่าหนึ่งระเบิดนิวเคลีย์กดตู้มาทีเดียวไม่อากาศไม่อะไรตายไปในชั่วพิษยาเดียวกับจับยัด ก, ก็ไปนในตู้เย็นที่มันมีน้ำแข็ง น, นั่นอันไหนจะตายเท่ามานยิ่กว่ากันก็ไปทานไป อาลมานเชื่อหรือเกิมาท่าจะให้ทําเลือกท่านตั้งหลายคงจะเลือกตายร้อนเพื่ตาเดียวคงจะไม่มีใครอยากจะตายท ร, รมานในห้องน้ำแข็งตายกิเลสเป็นอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่าสุภาษิตบทหนึ่งพึงสองบอลตายด้วยร้อนอย่างไม่ร้ายเท่าตายกันตา ย, มายารรมาเมือ่อย่างทรมานเพราะกิเลสปัญหาเดี๋ยวนี้บ้านเราเมืองเราตป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาป ร, ระจำชาติประจำใจ แต่บุคคลนี้เป็นองค์กรอเขาสะตนาเป็นคนชั้นแนวหน้าที่ใกล้ชิดคํา่องสอนและประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างและนํามาเผยแผ่แก่ประชาชนให้สตัตว์พูดให้ฟังทาให้ดูยกให่เห็นั่นคือพระสงฆ์องค์เจ้าแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราจะมีสักกี่คนที่อุทิศตนเพื่อะสตนะตนาเป็นสะพานให้กับประชาชนเดินทางแห่งชีวิตใต้ด้าประสบความสุข ยุทธการต่อสู้กับสงคารามกิเลสิมันไม่มีใครนะมีจำนวนน้อยที่สุดทพระวันนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสก้าวเปิดไกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำให้จิตใจของคนบูชาลงไหลวัตถุนิยมไม่มีใครสนใจจิตแต่นิยมธรรมนิยมที่จะจะบวชกันนาน น, า น, น, า น, นับนิ้วมือรอคอยตั้งแต่ยังไม่บวชมาจะบวชเท่านั้นวันเท่านี้วัน มันอเไรทนะุกวันที่จะขาดแขนวัดร้างเกิดมากขึ้นมีแต่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอยู่ที่วัดเป็นผานโลนเฝ้าวัดความรู้ความเข้าใจอะไรท่านก็ไม่ค่อยจะมีเพียงแต่โอมผมหนุ่มขมจีวรนอนในวัดให้คนได้กราบได้ไหวไปวันวันในจิตใ จ, จอของท่านจะไปนในวันไหนท่านไปยากและท่านแก่ความเข้าใจทางศาสนาก็มีน้อยเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนหนุ่มเป็นทาหารแห่งธรรมแต่เทิดชาติ ที่ตั้งอยู่ได้เพราะมีกองกําลังทหารแสนยานุภาพอันเกรงกายกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมือประสิทธิภาพประสิทธิผลรบทับจับศึกทั้งรุกทั้งรับใช้อาวุทธที่เป็นประโยชน์ช่ำชองในการรบส่วนศาสนาก็จะต้องมีทหารรักษาคือธรรมะเสนาทหารแห็นธรรมพลขะธรรมเสนาทหารเหร ม, รร ม, เหหมยแนวหน้าเหมยไตเลียนคอมมันโดแห่งธรรมคือพระสมองฆ์เจ้า จะต้องประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเบญนามเย็น จ, จัดในการต่อสู้กับกิเลสลูกเสียงเกลิ่ น, นรสสิ่งที่มากระทบทางใ จ, ใจิตใจและจะตงเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเมื่อวันไบรู้จะใช้อาวุธคือธรรมที่ถูกต้องทำเมื่อนันเป็นอาวุธดีกว่าทำมาวุธที่เด่นาแต่มีอาวุธดียิงตืนไม่เป็นมันจะใช้เบื่ออายได้เพราะฉะนั้นอรมาเจนต้องทำอย่างนี้ออกพรรษาแล้วหัวหลงว่วย บ้นเราเรกว่าหัวลมอวยลมเหนือร่องดินแตกละแหงลมหนาวเริ่มกระเพือพัดมาจากทางทิศเหนือหอบพี่ออกความหนาวมาจากภูเขาที่มาไปแผ่นดินเริ่มแหง้งหัวควายห้ามนกพิ้โบเปกไก่กาอะไรต่างๆเขาสนุกสนานนุ่มสาวก็สนุกสนานในงานลอยกระถงบั้งบุญกัถึงปังในช่วง น, นี้บรรยากาศมันเป็นใจพระหนุ่มเน้นน้อยก็าหาฮันรีฮันขวาง หนึ่งเด้อนจะออกพรรษาถึงวันนี้วันสุดท้ายวันเพ็ญเดือนสิบสอง 12. เป็นเทศกาลทอดกระทิงมนงานกระทิงมีมาร้องมอรำสง่งของโบฮอนเสิร์บดิสโกเทคอะไรตา่างๆนอกเกิดขึ้นรำํำวนโต้ลมหนาวสาวผู้ไทยหนุน่มน้อยหอมน้อยเสียงเพลงเสียงขับเสยีงสยงลัมเสียงดนตรีดิสตรีป็อปเสยีงสยงภาพรถยนต์นังใหญ่เสเนมาสโ ค, โ ค, โคสีเสยีสยงรอบผิด ใช่มัน ย, ยวดยวนกวนใจสู่มิตรอิมโมชันพระนมเนน้อยให้อยากออกมาสู่โลกภายนอกอยู่ในวัดรู้สึกว่าตนเองอยู่ในกองขังอะไรติดคุกทางวิญญาณอะไรทำองนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวราปล่อยปะละเลยตามกรรมตามเวรตามชะตากรรมอย่างนี้มันก็อยู่กันไม่ได้มันต้องสึกออกมาเพราะจิตใจนั้นมันเหมือนกับน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นี้นี่คือค่าสึกแห่งจิต Anlam, alls, ition, แต่มาเป็ต้องพาพระนกเนน้อยเสออก expedition แหลมหลอนจากปา maison, emen, ่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาเหมือนนกมันไปในท้องฟ้าเหมือนป่าว่าเป็นในสายชนหลบหลีกเลี่ยมมิสภาคารมอารมณ์อันเป็นอันตรายแก่จิตใจนะครันพี้แม่หูมันได้ยินเสียงเพลงยังได้ช้ามื่อสาวเสภาขากี้ยังไม่เลยที่ไส้ล่ำอางนั้นพอต่อยบอเอาหนีไปเก่าฟังเสียงนกเสียงป่าในป่าในเขาลูฟังเสียงนกเสียงกาไป หลังจนั้นตา ม, มันดะพบได้เห็นสี ส, ส, สวยปากแบดงๆยุบโก่งๆเดยวที่เหนื่อยนั่งสมาธิร่างกายก็เหนื่อยด้วยจิตใจก็ไม่รู้จะปรุงแต่งอะไรไม่อยากจะพักสงบเียนตึงนขึ้นมาทำวัดสวดมนต์แปลดึกๆอบรมสามาธิภาวนาสร้างพลังให้ก่เจ็บเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นทุกปีอย่งนีนั้น ไปนี่ท่านตัางหลายไปนีมนหมดอาตามาก็ไม่อยากจะรับหรอกทั้งมีเรียกมีแรงจะพูดหมดม L, หกลุ่มเสียงแล้วหลอดลมจะอักเสบแต่ได้เห็นความปรารถนาที่ท่านอยากจะฝังเทศด้วยเดินอาตามาก็เลยเอา้าถ้าอย่างนั้นก็รับเดินในวันที่ยีิบเจ็ดถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไปกลับมาเรียบเราะฝังของจากอำเภออำนา จ, จเจริญทําแตงเพชรมาที่อำเภอช น, นุมานมาเพอดอนตาลออกมามุกดาหารบ้านต้อง อ่าทาาพนมแล้วก็เลือ่อยมาทางอวียนุนนครพนมท่าอุกเทนสีสงขามปากน้ำชายบุรีขึ้นบ้านแพงขึ้นพงว่วเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ถึงวันที่กำหนดให้เทก็ต้องกลับมาแต่พอดีวันนี้โยมก็สบายหน่อย่งโยมขันอาสาว่าจะไปรับ ที่ไหนในประเทศไทยก็พอดีอาจมาต้องกลับมาวัดวันที่สิบเจ็ดเพราะว่าชาวต่างชาติมาศึกษาพุทธศาสนาด้วยก็เลยต้องมาช่วยผวนี้อีกต้องมาอยู่ในวัดอบรมสมาธิธภาวนาอาจามาก็เลยเหมือนหมีลูกน้อยต้องวิ่งไปอบรมพระในป่าในเขาที่เดินทางไปถึงนึ่เราก็เดินทา ง, ทางตามไปอบรมให้อารมณ์ทางจิตทำอย่างนู้พินาอย่างนี้ หลังนึงก็ต้องกลับมาอบรมพวจชาต่างชาติกัน ท, ที่วัดจะปล่อยป่าะละทิ้งกันไม่ได้เขาลงทุนกันมานานสงสารลงทุนกันมามากเสียเงินเกลือ ท, ทองขาสกงบินข้ามฟ้าข้ามทะเล ม, มามาอดมาอยากกินข้าเกินเตา่าออ ย, อยากอยากอยู่ในป่าในดงกระปล้าสงคอยเทกแคร์เอาใจใส่อบรมเขาให้เ ข, าข้าใจเขาจะได้นําพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้แก่กันและกัน บอกฝรั่งมั่งค่าถ้าปล่อยไว้เขาก็พูดภาษาไทยไม่เป็นเลยก็เลยเหมือนสับประหลาดจะพูดกับใครได้อาตมาจึงต้องทํางานหนักวุ่งไปไี่มาี่ไปได้มาเนี่ยวันนี้ท่านก็เลยง่ายในการจะรับอาตมาที่วัดออกซุปกว่ากิโลเราได้วเดินทางมาพบกันเมื่ออาตมามาพบแล้วตั้งใจเลิเกินวันนี้ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจมาแต่อาตมาต้องมานั่งรออยู่ที่นี่เป็นชั่วโมง มาถึงโอ้เห็นขบวนแห่กระทรงนานนพมาศโอุ้่นตลบกดตลาดทั่วอำเภอนาะว่าไปหมดมันฟ้อนกันเยอะเยอะเยอะแห่กันนางนพมาศอาตมาต้องมานั่งรอคอยที่นี่เป็นชั่วโมงปรดีท่านนาะยอำเภอมาบอกว่าขออภัยนะครับอาจารย์ที่ันผิดในโปรแกรมกําหมายกําหนการที่เ อ, อื้อมรถไอาตมาบอกว่าเมืเ่ไง ว่ายังไงยังไเราก็ให้อภัยกันอยู่แล้วพระเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยให้อภัยกันมาเสร็จตั้งแต่ยังไม่เกิดอะไรข <c oughs> ึ้นต้องถือว่าเราเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบือนทั้งทางกายทางวาจาและใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาพบกันด้วยความตั้งใจแล้วคอยการฟังของท่านเนี่ยได้ไประโยชน์ในการฟัง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 สัพพายัางยวไม่มีปัญญาแล้วมันมีโอกาสล้มละลายแล้วก็งมมายไร้เหตุผอมีโอกาสถูกหลอกถูกก็พุทธศาสนาในลักษณะเช่นนี้เป็นทําให้อยู่ได้มานานสาหรับปัญญาชนส่วนประเทศใดมีคนง่ามากขึ้นศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้ดังเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนู้ศาสนาพุทธมีคนนับถืออันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวนี้ตกไปอันดับด้วยประเทศที่เคยถือพุทธศาสนาเมืองแม่อย่างประเทศอินเดียก็หมดไปแล้ว ที่โดยพูดหาในปานบังกลาเทศปากีสถานหมดจริงอ่ามกเลี่ย ง, ยงถ้าดูลงมา ต, ตอนใต้เดียวนี้ลาวขาเขมเวียดนามเกาะหลงเอเลสหมดแล้วคงเรลือแต่ไทยสีลังกาเลยหยิบปุ่นลงใต้ถึงชวาววสุมาตาที่เคยมีวัดใหญ่ๆ อ, อย่างบุโรบุโดในอินโดนีเซียผู้สถาปนาก็หมดไปแต่เรนี้กำลังโผลที่ยุโรปตะวันตกทางอเมริกาทางตะวันตก ทางนัก บ, บิบิโลโอบนู่นบอกฝรั่งมังคากำลังให้ความตนใจคนที่มีปัญญารับเหตุผลเท่านั้นที่จะรักษาผู้ศากดนาและเข้าถึงหัวใจผู้ศักดินาได้อะไมากขเป็นห่วมประเทศไทยพวกเราไม่จะถูกนิมนต์ไปอยู่ต่างประเทศไปเทศต่างประเทศถึงห้าอยากจะให้ท่านหนิงไลด์เข้าใจเอาละที่นี้จึงเปิดโอกาสให้ท่านนิงไลด์ฟยีไม้เป็อิสระในหัวใจไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไว้เฉยๆวันนี้ท่านนิมนต์ให้อตมาตมามาพูด ในวันเทศกาลลอยกระทงของพี่น้องชาวอำเภอมาว่าสารุ่ขอโนุโมธนาเมื่อสึดตนเองเป็นสิริมงคลในหัวใจนี้ <c oughs> ทำไมจึงกล่าวว่าในหัวใจมีสิริมงคลด้วยบอกความงดงาม อ, อุดมเจริญในหัวใจตั้งแต่เกิมดมาแต่มาพึ่งจะมืองานนี้เป็นงานแรกในการมาร่วมลอยกระทงตั้งแต่อ้อนในออกเกินมายังไม่เคยปล่อยกระทงลงในน้ำนะไม่เคยลอยกระทงก็หายสักผี ไม่รู้มันเป็นบาปเป็นคาอะไรอาจจะมาเป็นคนบ้านนอกลูกคนปา่าคนบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคนปา่าคนเยือนการศาึกษามีน้อยแต่ก่อนนี้โดยกระทงมันไม่มีในภาคอิสานของเราถ้าอิสานของเราเนี่ยเป็นดินแดนที่จเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณสปริลชวลเอรไลท์เทนเมนแลนด์ดินแดนที่สว่างตะวันทางจิตใจทางวิญญาณ มีขนมขงมียนมาร์มีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นตัวของตัวเองมานานแล้วมีอักษรใช้ตัวถังก็มีมานานแล้วมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมที่งดงามสอดคล้องกลมลืนกับความเป็นอยู่โดยทอดออกมาจากคาสอนในทางพระพุทธศาสนาเรามีที่สิบสองคลองสิบสี่เป็นระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมชุมชนชาวอีสานเปรียบเสมือนเป็นได้ร้อยรัดโมโมวลดอกไม้บุปผาชาติ ให้เป็นพวงมาลัยที่งดงามฮีตสิบสองเป็นระบบเป็นระเบียบของสังคมคลอสิบสี่ 14, เป็นระ บ, บบของชีวิตร้อยละชีวิตจิตใจและสังคมชาวอิสานให้งดงามเป็นอยู่ในที่เป็นเอกภาพไปมีสิบสองเดือนเราเอาบนกันเถอะครั้งรวมกันเป็นสิบสองครั้งเรียกว่าฮีบสิบสองดูฉะนั้นคองสิบสี่ 14, คือคันรองของชีวิต พ่อแม่ทํำยังไงกับลูกกับเต่าแต่เช่นก็าว่าหีดพ่อข้องแม่หีดปากข้องลุงหีดปูข้องญาหีดตาข้องง่ายหีดเจ้าห้องคุณหีดภัยห้องง่ายหีดผัวข้องเมียหีดภัยห้องเคยหีดวัดข้องว่าหีเจัวข้องเน็ตหีดไทยห้องฮีดไทยห้องหน้าหีดตีห้องเดือนจะมีหมดเลยเราจึมีหีดมีของคำว่าฮีดไม่จะรู้ว่าจารีภาษาไทยกลางว่าจารี มาจากภาษาบาลีว่าจริตะสันสกตว่าจริตรเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาสอมะว่าทราดิช์นั้นส่วนค้องมาจากว่าคันลองพองชีพเดอร์ออฟไรท์ภาษาฝลังวันนี้เราที่มีสิ่งเหล่านี้มานานแล้วคนลาวของเราไม่มีรอเรือ่องนี่ก็ฮองเหรอจาริ เขาเรียกว่าจาหีโอ้ยมันตั้งใจเหตุฮีมันตั้งใจเหตุหีนี่แล้วคือไปหาว่าว่ามันโกหกจักมันตั้งใจเหตุเหตุนี่เขาว่าจาหีบหรือจาริแต่พูดเร็วๆเขาก็ตัดจาออกเรือแต่หีบแต่เราว่าหีสิบสองจาหีบจาริสิบสองเบอร์ละครั้งในจำนวนสิบสองเดือนหนึ่งปีคนลาวอีสานของเราคนง้อคนย่อคนภูไทยเนี่ยพูดอะไร ตั้นลงประหยัดเวลารว่าขี้เกียจก็ไม่สัตอย่างเช่นเรียกพระวะเจ้าหัวเรียกน้อยเจ้าหัวคำเดิมมันจะหวอกเจ้าอยู่หัวยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวสาธุจะอะไรไปถวายพระท่านนั่งนบนหัวมีความเคารพเชื่อฟังพระมากท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตคนสมัยโบราณนับตือเป็นเจ้าอยู่หัวเลยนบไหวกราบไหว ยกแส่ก้าวเท้าใส่หั ว, จ, หวจิงนึกว่าเจ้าโยหัวนี่พูดเลยเลยวก็เจ้าหัวส่วนมี้มัจัวน้อยไม่จูก ว, ว่าเจ้าโยหหัวน้อยจารี่จารีพูดสันส้นๆเลยว่าฮี่เท่านั้นเองรวมแรงขาดแรงประสมบูรณ์ประเทศนี้ทั้บุญพ่อแม่ห้าพ่อเคยถิ่มอกความดีเป็นหลิ่งสลักใจไหวข้องทีสามขี้ยอยไหวบ่ไล่ถิ่มผิดข้อง มือสิทุกอย่างหายเขินขาเล่นง่ายบ่หอนลืมสินทมครามเพียงทางสาวไหวบ่หอนไล่ล่าทิบค้องทำหีเกา่าข้องพระพุทธเจ้าเข้าเดชสัสบซอนมีเขียนไว้เป็นกะเป็นก่อนขึ้นต้ น, น, นเรื่องที่สิบสองของสิบสี่ใวนที่สิบสองของสิบสี่นั้นเดือนหนึ่งทําคุณงานความดีร่วมกันครั้งนึ่งในสังคมชุมชนหนึ่ง เหมือนเป็นลิ่มต่กสลักหัวใจเอาคาเนเมืองความดีเอาความดีเป็นหลิงสลักแก่เบืโคงทีสามขี้เหยียไหวบอลไล่ถึงหินคล้ในจมน่นที่สิบสองที่ไปลิ่มไอต่กสลักหัวใจของชุมชนชาวอีสานที่อยู่กันฉันพูดฉันน้องต้นนู้นหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้ป้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลธรรมซึ่งคองบาเมืองอยู่ยังเป็นศกเมือ่อเหมือนสวรรค์นบนดินของคน จ, จนๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีเงื่อนประปาไม่มีรถราง แต่คือใจสงบประเอมรับดูกันทันที่ทันน้องการเบียดเบียดกันมีน้อยด้วยอาศัยและระบบแห่งชีวิตและระบเดียวของสมขอมอันพอดแบบมาจากคําสอนในทางพุทธศกันานู่นบ้านที่นี่บ้านน้องกองดองกันนักหนาขั้นจะไปบ้านไต่ขอฝากห่อเกลือขั้นจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเข่าขั้นจะเจ้าโยบานขอฝากแกนหันข่อมต้องของข้าเจศแกงเมืองสงสามโคเช้านี่คือระบบเรレーションสีสีเต็มองชาวอีสาน คนณบานพีนีบานหนองปองดองหักแกนที่งานตกอย่างแขนท้อวานเอินซอยกันเชิญเหลือกันเพื่อพับเพื่อพับลักษณะเช่นนี้มันเกี่ยวดองข้อกันมาจากฮีสิบสองของสุตติผููพันนั่นของวอย่างร้ำลึกซึมเศร้าไปในหัวใจในจำนวนฮีสิบสองนั้นจะไม่มีฮีดใดเลยที่เรียกว่าหีปลอยกระทงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องลอยกระทง ท่านตั้งหลายที่เรียกตนเองว่าเป็นชาพุทธเรามาทำความเข้าใจ ก, กันกับเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าอาตมาเนี่ยเกิดมาไม่เคยรอยกระทงบ้านนอกสมัยก่อนในอิสานไม่มีดอกไม่มีมันเพิ่งังมีเฮอมีเฟอร์กันขึ้นมา ส, สักสิบปีกว่าๆนี่เมื่อโรคในเจริญก่าวหน้าขึ้นมาม า, มากๆถ น, นนหนทางรอพอชอเข้ามาสบดินแดนอีสานทุกหมู่บ้านไฟฟ้าเข้ามาทุกหมู่บ้าน มีโทรทัศน์ขึ้นมาอีกแพร่ภาพทางม erm ัสมิเนียมเสือบูนชนลอยกระถอกกระทองอย่างนู้นอย่างนี้วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ได้แฝงแฝงเข้ามาในการศึกษาการศึกษาก็ถือวันนี่คือประเพณีอันดีงามของเราเอาล่ะยังไ ง, ง, ง น, อออนะอย่าเพิ่งใจน้อยโมโหอธรรมนะอย่าโกรธเมาแล้วจะมายกเลิกขันส้นประเพณีอะไรต่างๆรูอยังไงอันนี้มนุษ์ปรเทศ ขออภัยอย่าเพิ่งเข้าใจด่วนล่วงหน้าไว้อย่างนั้นเราพูดกันอย่างอิสระฟังกันอย่างอิสระเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ครูกันแบบชาวพูดฟังกันแบบชาวพูดบริวิฟออลีฮ h a ์ฟออฟวัตตูเฮียเชื่อเ พ, พียงครึ่งในสิ่ง ท, ที่ท่านได้ยินได้ฟังเอฟเอฟห่องสิภาวา่าเสียงกบลั่นจะเป็นงู ท, งท่าทาาที่ตอดตายบ่ฮันหูอีอีห่องยะว่างใจว่าจะจันทร์สที่เนียวเฮาห่องเียวเกี่ยวกับห่องเป็น เห็นเงาเลื้งเออเหอสีลงหวานแต่นิ่งข่ำนั่นคือเป็นข่ำปลอมเพจแตงใบข่ำเก๋เดเดหองหัวเห่ายาเป่าวาล่งจะเป็นสาเต๋อเสื้อหายสิคาับข้ออาเมาพู้เป็นพระเหลืองเองอ เ, อ เ, เ, เ, เ, ดเดหอนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้ฟังถ้าเปชาบุตรพุทธท่าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสรู้อะไรตื่นอะไรรู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลตื่นจากความง่วงงงหายแจ่มใสเบิกบานจากความเศร้าหม อ, มองขุ่นหวนมึนจิตใจ เรื่อความรู้อันถูกต้องรู้ข้อที่คิดรู้คิดที่ทํารู้คําที่กล่าวไม่เอ ม, มาไรเหตุผลว่าทำสักแต่ว่าทำสุ่ยสุ่ยกันไปตามกันไปท่าอย่างนี้ดู ว, ว่าชาวพุทธผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานเด๋วนี้กําลังทําอะไรลอยกระทงลอยกระทงคืออะไรจักเพื่นพาเอิดพี่น้องชาวนาว่าสี่สงคารามนครพนมเหาเล้งเนะลอยกระทงคืออย่างที่น้องจัก พันพาเอสว่าเข้าไปดูทาไมถึงต้องมาลอยกระทองเป็นเหมือนกันต้องมาลอยกระทองจักแล้วเพื่อนของพาร์เอฟไปไม่รู้เราจะรอยกระทองไปเพื่ออะไรหนูไม่รู้เพื่อม้วนเพื่อจะได้กินเหล้าเพื่อจะได้ฟังหมอล้ําเพื่อจะได้เบิร์นหนั ง, งเลนส์นทีละภาพยนตั้งเพื่ อ, อลโลกไม่ลอยกระทองเพื่ออันนี้เห็นไหมก็สอดเอก เพราะ น, นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็าตามเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งปัญหาถามไถรตนเองอยู่ตลอดการในขณะที่ไปเกี่ยวข้องว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดเราจะทงคืออะไรทําไมยังต้องมาลอยกระทงให้ลอยกระทงเพื่ออะไรลอยโดยวิธีใดเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนอย่างนี้เอาเราวันนี้เราจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้กันก่อน โดยกระทงนี้คืออะไรไม่ต้องถามคำตอบท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าจุดทูปจุดเทียนปากคงไปในกระทงไปตรงกล้ยหรือโฟมอะไรต่างๆที่แต่งขึ้ น, นก็ไปปล่อยลงในแน่ น, น้ำตั้งแต่โรงเรียนชั้นป .1 ป .2 ก็ได้ร้องเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลึงเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจิ้วันรอยกระทงเพลงนี้เดมาก็าจาได้จาได้กันแต่อย่างเด็กๆ มันมีร่องขึ้นมาแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นสําหรับภาคอีสานของเราน้ํานองจนตะหลงที่ไหนแล้วภาคอีสานมีแต่น้ํำจะหมดไปจากข้วยเดือนสิบสองน้ํายามน้ําอูนน้ําสงขามจะแห้งขอดขาดเป็นวังแล้วเดือนสิบสองน้ํานองเจนตะิ่งในน้ําเจ้าพยาแม่น้ําำภาจีนแม่น้ําน้อยคลองกระทุ่มโงแม่น้ําแม่กองบางปะกงทางปักใต้ทางภาคกลาง แม่น้ำปตาลีแม่น้ำตาปีมันอยู่ใกล้ทะเลทะเลนหมในขณะที่พระจันทร์วันเพ็ญเดอนี้เขาร้องก็ถูกแต่บ้านเราเอามาร้องมันเชยแหลกไลยจะมาลอยกระทงในผ้าอีสานนี่มันก็พอๆกันกับเอาปล้วยสุกไปจิ้มปลาสมองกล้วยสุกไปจ้ำปลาแดกแลยพี่น้องมันมันมีน้ำนองเต็มตลิง่งน้ำส่งคามก็หิ้ง น้ำเย็นก็หิน้นน้ำอุ่นก็หิน้นมันจะบ่มีน้ำแล้วทีนี้ปะระอที่ไหนก็สระก่อ ส, อสอชอใช่ไหมล่ะ <c oughs> มันไม่ว น, นเวียนไปหนไปปล่อยลงหาเรื่องที่จะสนุกส น, นานกินเหล้าเมายาดูหนังดูละครนอมเมาโย่จอนจิตใจให้จิตแตลกใจเพลไปปล่อย้าวขอภคยไม่ใช่ด่ากันนะลอยปังทีนี้ประเทนี้เราจะทงที่มันมีทางภาคกลางมาก่อนภาคกลางได้รับวัฒนธรรมนี้ ดังเปสุโคไทยเป็นต้นมาดังเราจะเห็นได้ว่าในเดือนสิบสองถ้าหันไปสุโคไทยก็ดีท่านจะเห็นหลักษณาจะรึกหลักที่หด้านที่สองจะลึกถึงการเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุขโขทัยทา น, นีนี้มีพ่อคุรามคำแห่งมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมทั้งชาวเมียชาวเจ้าทวยปัวถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งซึ่งทั้งลายทั้งหญิงทั้งชาย ทุงเคยมีสถานในพระพุทธศาสนามักจำศูนย์มักโอยฐานในหน้าจําปัญญาจนอพันสามหมดจะถึงหนึ่งเดือนจึงแล้วเมื่อถึงเวลาทอดกระถิ่นไปทอดกระถินที่อารันยิพุนมีพนมเบี้ยพนมมากพนมดอกไม้มีหมอนนึ่งหมอนนอนเป็นบริพานกระถิ่นไปทอดกระถิ่นที่อารันยิพุนเวลาจะกลับตีบงกองเท้าหัวหลัง เมืองสุขโข ท, ยทัยธานีนี้มีสี่ปาประตูเมืองเทียนย่อมเบียเสียกันมาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุขโขทัยธานี้เป็นดังจกักเตะย่งงเข้ามาในประตูมีมีอยู่สี่ประตูเมือนเมืองจตัตเตมาดูการเล่นเผาเทียนเล่นไฟก็คือถังอย่างนี้ที่พิโรบร้อจักรทองและเมาจะทรงนี้มัมาจากไหนคืออะไรกันแน่ในภาคอีสานเราไม่มี ที่สิบสองไม่จมํานวนสิบสองเดือนจะไม่มีฮี่รอยกระทงมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้เล่ากันต่อไปมีอะไรบ้างใน้าอีสานของเราเนี่ยที่ใน้าคอีสานของเรานั้นมันมีเพียงสิบสองที่ในที่ด้สิบสองที่นี้มันจะไม่มีคําว่ารอยกระทงมีฮี่อะไรบ้างเดินอ้ายบนข้าวกรรมพระทรงองค์เจ้ามารวมกันยี่สิบกว่ารูป เป็นอย่างน้อยยี่สิรูปเ็อย่างน้อยวีสติวักขบัติสังฆาทิเศษเดินอายนันตางอเดตพิมาหักไม่ย่างเข่ากำมูสังโคเจ้าเข้ามาพากันเข่าถ้ำบุญตักบาตปริหัสต่อหนูสู้คำสตย์ศาสนาพระท่านมาเยอะก็เลยถือโอกาสทำบุญทําทานได้บุญได้กุศลเยอะหาโอกาสยากที่จะมีบุญมีพระเยอะๆอย่างนี้เดินสอมมาบุญคุณลานเอาข้าวมารวมกันบุญประทายเข่า เดินซอมมาแล้วอย่าากันขีด่ดีตกเดินมีมาห่อนแล้วภากันเต่าแตงท่านของเขตบ้านเอาเขามะฮวมพ่มกันเอิา บ, บุญคู่ล้านหรือว่าบุญพระท้ยเขาเพื่อจะได้รวมกันทําสาธารณประโยชน์เอาเงินเอาข้าวมารวมกันแล้วจะได้เอามารวมกันขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันทําคุณงามความดีร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เดือนสาห้อมต่ออุบุญปังข้าวจีกเดือนสมะฮันแล้วุบุญพระเวทประจำปีบางของมีกัร้อนแหงนั้นลํา่อนทัศพรกันตนมหาพลไก่สเสียงเสียงมฤคคืนเขิมให้มืองบาดสมเด็ดเดือนสามปังข้าวจีเดือนสี่พระเวทตันดอนตัวขึ้นเดือนห้าบุตนตัวึ้นแล้วดูเดือนห้าปีใหม่วันสงการเราเรียก ว, ว่าปีใหม่ของเรา รุดไปว่าเคลื่อนสองการสังเบพอพร้อมกาและประกอบด้วยการสังกาศกรารร่วมเดินหาปีใหม่ประจำปีปีใหม่วันสงการยาสุขภาพกันเรื่องปล่อยเต่าป่าลงน้ำตะกุน่าพร้อมในโกงในปตปล่อยเดินหาคอยบุญหนีงจังคอยเศรา้าเดินหกมาบุญวิสาขาบูชาหวนหวนฝ่าของําละงมฝนใบหนูเพียงลงควนคู่ด่าฝึกซาเสี่ยวแซนโก้างทีงจะดูผุดพร้อมเท่งถวนเทินแถว เอียงคำแรงลงใหม่จันทศไสแสงเขินวันเพ็ญจิปหาคำวิสาขาประเสริฐลำเลี่ยนเทียนนองนุบพคุณเวียนเทียนวันเพ็ญเดือนหกและลึกถึงวันประสูตรตรัสรู้ปรินิพาน mm. ขอ mm. ออกสูเด็จช ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมกันสิกกันหลังจากนั้นก็ยังมีบุญปั้งไฟปั้งไฟไห่บุญวิสาขาอะไรต่างๆพวกนีน mm. เน้เลยเป็นสองบุญดับเบิลบนเดินเก็บมาบุญชําระบ้าน เดินแปดมาเข้าพรรษาเดินเก้ามาเข้าสากดเดินสิบมาเข้าประดับดินเดือนสิบเอ็ดมาออกพรรษาเดือนสิบสองบุญกระถิ่นคือเดือน น, นี้เดือนสิบสองบุญกระถิ่นถึงฤดูเดือนสิบเอดสิบสองมาแล้วจะออกพรรษามานึ่งเดือนเรียกว่าเทศกาศบุญกรถิ่นฮีดเอาบุญกระถิ่น ห้าม า, ากันต่างกทิ้นแหพอดแห่ตามเี่ของพเมญเจาโบเ่าะคนกาสอนห้าม า, า่าสันต่างกัทิ้นทำท่านทอดเซ็จแหละจังคอยลงทองก่วงเอาเขาคนส่ละเหนี่ยงเม่นหี่เข่าดังไปเก่าฟังปฐมแต่บลลพุท ธ, ธกาลหลวงมาน่านแหลวเป็นคำสอนขององค์พุทธเจ้าประโคดมสอนสั่งวังให้หาผี น, นองได้ ป, ปสัง ส, งส่วนบุญสิบสองเดือนพลกมีบุญทุกเดือนแต่ไม่ปรากฏว่ามีบุญลอยกระทงเพราะฉะนั้นอาตมาจึง มีวันนี้เดินมาร่วมในงานรอยกระทงครั้งแรกในชีวิตเอาโตมาเป็นหนุ่มก็ไปทํางานทําการทางภาคใต้ทางภาคกลางไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสนุกเพราะโมรรรรัวแต่ทางานต่อมาหน่อยเป็นหนุ่มใหญ่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่บเจ็ดยี่แปดไปแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศบ่างอะไรต่างๆโมนี้่มันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะแต่กเรพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นประเพณีของพ่อแม่เราไม่ อาตมาขอเรียกประเพณีเหล่าี้ว่าประเพณีที่มันมากับเศรษฐกิจมากับความมืดแห่งสติปัญญาด้วยมันมากับความมืดมากับเศรษฐกิจมากับธุรกิจแล้วมันก็กลายเป็นเนื้องอกเมื่อเกิดเป็นเนื้องอกแล้วก็เกิดอักเสบเป็นอันตรายแก่ร่างกายถึงชีวิตประเพณีเนื้องอกเกิดมาเพิ่มเรื่อยๆแต่ก่อนชาวพุทธของเราเนี่มีประเพณีอยู่อันหนึ่ง ก็คือบุญีมีบอยู่ามอันในหาพธาธุทาสนาของเราเอาบุญใหญ่อยู่สามั้งคือบุญมาฆะวิสาขะอาสาระรวมกันเรียกว่าบุญพระพุทธบุญพระธรรมบุญพระสงฆ์วันวิสาขะวันเกิดของพระ พ, พุทธเจ้าแตสรู้ปรินิพพานวันอาสาระวันแห่งพระธรรมเพราะแสดงธรรมครั้งแรก วันมาคะวันแห่งพระสงฆ์ที่มารวมกันไม่ได้นัดหมายพันสองรห้าสิบรูปประธานโอวาปิตโมกพัฒนารรได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบวันทั้งสามสำคัญมากคือวิสาขาสารคะมาค์มีเท่านี้แต่เดี๋ยนี้มัน เ, เพิ่มขึ้นมาอีกวันคริสต์มาสวันอีสเตอร์วันแห่งความรั ก, กวาเลนไทน์ เพิ่มขึ้นมาคนหนุ่มคนสาวนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ตื่นตัวกันมากรับวัฒนธรรมเราเนี่ยเคยไปบรรยายในสถานที่เี่แห่งราชการหรือในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมระดับวิทยาลัยคอนเรสระดับยูทีเวิร์สถ้าถามว่าทอะไรรู้จักวันวาเลนไทยไหมยกมือเพื่อนักศึกษาระดับมัธยมต้นต้นมัธยมปลายหรือแม้แต่ท่านปถมรู้จักวันวาเลนไทย วันวันถึงความรักค่าวันที่สิบสี่กุ่มฮาวาเนาียนไทงรู้จักกันนี่แล้วกันแต่พอถามว่ารู้จักวันอาสารหาไานะไหมจ้ะเนอะก็ยังเงียรู้จักมาคะไหมเงียบหนูไม่รู้หนูไม่รู้เท่านั้นเองแล้วรู้จักดีแล้วเดินมาหล่วนี่คืออะไรนี่ก็คือประเพณีเมื้อเงาเกิดมาใหม่มันมากับความมืดเพื่อสนองต่อทางเศรษ มาร้อยกับทองรู้จักกันดีเหลือเกินน้ํำนองเต็มตลิง่งมันเพ็มเดื่นสิบสองแต่น้ําเมืองอีสานนี่มันไม่นองเต็มตลิง่งมันแห้งขอดจนถึงก้นคลองก้นห้วยบกเป็นหาดคาดเป็นวังกันไปเลยแล้วก็มาร้องเพลงนี้คือมันก็เลยเชยแหละที่นี่ถ้าหากเกิดใครบอกว่าจะไปรอยมันเลยจะบทงกัเพ็งเอาแล้วหาเอาไปคนคึกขาลาสาวใหม่ไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเมืองอีสานเลยแล้วไม่ม แต่มันเพิ่งจะมีมันมาได้อย่างไรรอยกระทงนี้คืออะไรร้อยกระทงนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดมาช้านานเป็นประเพณีอันหนึ่งของชาวฮินดูฮินดูเพี้ยมมาจากว่าฮินดีหรือคือฮินดัสคือแม่น้ำสินห์ถกภาษาอังกฤษหรือภาษาเดิมเรียกว่าแม่น้มฮินดัสและสินห์ถกฮินดัสเนี่ยมันเพี้ยมมาเป็นฮินดีแล้วต่อมาเป็นฮินดูต่อมาก็เป็นฮินเดีย แต่ก่อนอินเดียยังไม่เป็นประเทศเดียวกันเป็นส6หกประเทศอังคบมกธกาศีโกสวัตชีมัลเจตีวังสครุ ป, ปัญจาศรเสนสั ก, กะอวันติคันธาระกัมโพชะเมื่อเป็นอย่างนี้พราเจ้าอศได้ยกทัพของพระองค์ไปตปจะลุยทั้งส่บหกแคว้นเอาเป็นอันเดียวกันได้เ <c oughs> มื่อสองร้อยกว่า ในที่สุดพระอมก็เลยสถาปนาประเทศทั้งหมดให้น้ำพืชศาสนาเดียวกันคือศาสนาพุทธแล้วก็ตั้งชื่อประเทศวิบาห์ฮินดีต่อมาเป็นฮินดูต่อมาก็เป็นฮินเดียนเป็นอินเดียเท่าทวัตต์นี่และชาวอินเดียนี่แหละชาวฮินดูคือซึ่งเขาน้ำรรษษพืชศาสนาความเขามีประเพณีอันหนึ่งของเขาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคือประเพณีทีปวาลี วารีแปลว่าแม่น้ำทีปะแปลว่า ท, ทุกเทียนไปที่สว่างสวายเนี่ยเขาจุดไปที่ปล่อลงไปในแม่น้ำแปลว่าทีปะวารีทีปะวารีเพื่อบูชาพระนารายณ์ท่านท้ายคงจะได้ยินชื่อของทัพหลังนารายณ์ ในประเทศไทยของเราปีนี้ดังเกียวกาวคนไม่รู้ก็ได้รู้ถ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าได้ดูโทรทัศน์ได้ฟังข่าววิทยุในกรณีที่เอกทบาลไทยและก็สอสจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวตั้งตัวตีเดินทางเที่ยวไล่เที่ยวขือไปกลับไปกลับที่สิคาโกอเมริกาเพื่อจะเรียกร้องทับหลังนารายคืนเพราะทับหลังนารายของไทยเราเป็นลูกหินแกะสลัก ส, กสดงน้นําที่ซุ้มประตูปราสาทพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้หายไปสิบกว่าปีแล้วมันไปปรากฏตัวโพโฉมหน้าขึ้นที่ซูซอปาวัฒนธรรมสิกาโกอเมริกาถูกคนใจร้ายผู้เห็นแก่ได้ลักล่อเอาไปขายให้ฝรั่งฝรั่งแล้วเอาเกือบินไปโชว์ที่โน่นจนมันหายยากมากทุนก็นไปก็มาเพิ่งจะได้กลับเข้ามาแล้วก็ได้ทราบว่ามันหายไปอีกอันหนึ่งที่อาาปรสเทเขา้อยอะไรนะที่อารันเปาิ ทำไม่เร่รีกว่าทับหลังนาลายนี่เลยเป็นที่มาของรอยกระทงความจริงที่เต็มว่าทับหลังนารายบัทมสิบัญทมก็เวัานอนหลับนะ <c oughs> ขออภัยเสียงไม่วานไม่ไหวนะ <c oughs> ทับหลังนาลายบทมสิงพระนารายนอนที่ไม่นม้ำสินทูไม่นม้อย่างกาลสินน่เหมือนน้ำดับ ถ้าไม่นารายนี่ต้องไปนอนในนั้นพวกศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขามีสระติอย่างนึงก็คือว่าอระพรมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระนารายคุ้มครองพระอิศวรก็มาทำลายผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทําลายภาษาแกรก็ว่า Trinity น, นี่ไม่ใช่นี่ภาษาอังกฤษว่า Trinity คือเอกภาพ <c oughs> สามอันเอามารวมกันไปอันเดียเป็นยูนิตี้ ภาษาแก่ก็เรียกว่าตรีมูรติคือพระเจ้าสาองค์ทีนี้พระพรหมเป็นผู้สร้างจะอยากจะดีจะมีจะจนขี่ลิ้วขี่เรจะช่วยสดงดงามขาดทุนได้กําไรลไมหายตใจอะไรต่างๆมันแล้วแต่ผมรู้จิตพระพรหมเป็นผู้ริจิตชีวิตนั้นและประมาพระนาลายก็คุ้มครองแผ่นฟ้าแผ่นดินชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองมาพระนาลายก็ไปคุ้มครองเหล่าพวก สัตว์น้ําและสัตว์บกด้วยคือท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต่อกันนี่สิ้นจุดฤดูฝนเพียงวันเพียงเดือนสิบสองเราจะย่างเขาสุดฤดูหนาวเค้ยว่าท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต่อกันพระนารายณ์ามานอนอยู่กลางมหาสมุทรเพื่อจะดูแลสัตว์เหล่านี้ด้วยเพื่อคุ้มครองเขาเลยมีการจุดประทีปใส่ลงไปปล่อยประจงรอยลงในคงขาเพื่อบูชาพระนารายบัณทมศิษย์ เพื่อแสดงออกถึงความประตันจุกระาเวทีให้พนาลายคุมของในที่สุดเขาเลยบางมีประเพณีนี้พวกชาวพรามเขาทำกันอย่างนี้เรียว่าทีปวารีในทางพุทธศาสนาไม่มีพุทธเจ้ไม่ได้อสอนให้เราเชื่องมงายอาศัยสิ่งภายนอกแาบนั้นเราจะต้องช่วยตัวเราเองอตตาหิตโนโนาโถตลุลเลเป็นที่พึ่งของตอนโกหินาโถปุโรติยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ อัาหิสุทันเตนานานพังรปฏิคุลรพังผู้ที่ได้ฝึกตนดีแล้วยอมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากฝึกตนให้ดีคมจิตคมใจย่ำมันคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันแต่คิดดีพูดดีทดําดีมังก็ได้ที่พึ่งในตัวเองที่ได้แสนยากคนอื่นทําให้ไม่ได้ในตัวไปหวังพึ่งพระเจ้าพระเจอ พ, จา พ, จาพนาลงหน้ารายอะไรก็ชาวพุทธไม่เรียกคําว่า ผมลิขิตโถชงโหดร้ายต่อฉันเหลือเกินทําไมพระผอมลิขิตชีวิตฆ่าเป็นอย่างนี้ผิดบวังโชคสํราระจก ร, ร ม, ม้มึงขมขืนมองหมางผูกคอตายก็หาว่าพระผอมบังคับให้ผูกคอตายหรืยอยังไหนพิซ่าในทางพุทธศาสนาต้องดูว่าต่ำลิขิตคือการกระทําสุดที่สุดที่ประจตังนานดูนันยังมีโซทะเยอันยูนันยังมีโซทะเยความบริสุทเศร้ามองความดีความชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นใครเราจะมาทําให้เราเป็นอย่างนั้นได้ เพราะฉะนั้นพระพุทยาหังเลยแคนัซนยกเรื่องการบูชาสิ่งเหล่านี้ประกาศก้องมาว่าพระหูเวสลนังยันติปภะตานีวันานึ่งจะอารามารุขเจติยามนุษยทาพยัตชีตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกความหวาดกลัวคุกคามในชีวิตจิตใจแล้วก็ถือเอาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาถึงต้นไม้แม่น้ำภูเขาอารามเป็นที่พึ่งเป็นสระนะ เนตังโฆสรณังเข้มังเนตังสระนังมุตตะมังเนตังสระนังมาคขขามัสปะทุฆาปามุจตินั่นไม่ใช่สระอันกเตมนันไม่ใช่สรณะอันส้วงสดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกไปได้ไมันยังงมงายอยู่มันต้องพึ่งตัวเองโดยสติปัญญาโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังขัญจะสระนังขโตสัจานิอริจสจานิานสั ม, มปัญญายปะปัสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือความสะอาดสว่าง สงบในจิตในใจมีสติปัญญาชัดเจนเห็นอริยะสัจคือความจริง อ, อันประเรสรตติประการคือความทุกตัวปัญหาเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดปัญหานิโรธความดับลงแห่งปัญหาความดับลงแห่งมรคนทางปฏิบัติวิธีทางดําเนินชีวิตเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อดับทุกนั้นอย่างชัดเจนแล้วเอตังโขสะระังเขมังเอตังสระนังมุตตะมังเอตังสระนังมาคามสสะปุขฆาปโมจติ นั่นแหละเป็นสาระอันกระเสมที่พึ่งอันกระเสมสูงสุดแก่เขาอาศัยสิ่งเหล่านี้ย่อมผนจากทุกเรนั้นลงนารายพระพรหมพระอิศวนพระเยซูพระอันโร อ, อาลาอาลนโนยาโฮวาอะไรต่างๆหมดความหมายเราต้องช่วยตัวเราเอ ง, องนี่ชาพูดยิงไม่ดีอย่างนี้เขาจะไปอาบน้ำํำล้างบาปในแม่น้ำํำคงคาเพราะพนาลายกระเด็นมานอนแล้วก็เป็นแม่น้าบาปได้มันก็พัดเอาบุญไปด้วย เลิกงมงานกัน ท, ทันทีจงมาอาบน้ำแห่งธรรมวินหนคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบสังคมที่ถูกต้องดีงามรู้ความจริงถึงที่จะต้องรู้และความถูกต้องที่ต้องประพฤติปฏิบัติลงไปเที่ยวประทท่านาาก็จะพ้นจากทุกล้างบาปในหัวใจได้น้าแม่น้ำคงคาแม่น้ำจมนาศสระพภพาหีกาแม่น้ำอจิระวดีแม่น้า ม, มาฮ จ, จ, จะล้างได้ก็เพียงร่างกาย แตจใจที่สุกปกโซมมมนั้นจะเอาน้ําอะไรมาละ่ะนอกจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเด่นงาเข้าใจเหตุเข้าใจผลประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะการรอกระทองจึงหมดควา ม, มหมายสําหรับชาวพุทธเอาหลับเมื่อชาวพรามณ์เข้าบูชาพระนารายณ์บัณฑสมศรีแล้วพุทธศาสนาได้เข้ามาครั้งแรกเมื่อพศสักสองร้อยกว่ากาในประเทศไทยก็ยังไม่มีสิ่งนี้ต่อมาประมาณสักพันหนึ่งพระอธกะท้าจาัน ได้ น, นำผู้ซาตนาเข้ามาละลอกสองในแผ่นดินไทยแล้วผู้ซาตนาละลอกสองนี้ก็ปะปนกันมากับพิธีเก่าดั้งเดิมคือพิธีเผาพิธีของพวกฮินดูบวกพิธีที่ปะวาลีอะไรต่างๆเกิดขึ้นประเพณีเนื้อ ง, งอ ก, กเพิ่มขึ้นมาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วพวกนี้มีสายเลือดมีวิญญาณเป็นพรามเป็นฮินดูมากกว่าก่อ ก็ยังเสียดายก็เลยเอามาซับบริเมนผสมผสานเข้ากับผู้ศาตนาบอกว่าร้อยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทพระศัระตรูที่ริมฝั่งแม่น้นํา้มาทานาทีเอาละเรื่องนี้ก็จะได้เล่ากันต่อไปขอให้ทราบไว้ก่อนว่าประเพณีร้อยกระทงนั้นไม่ใช่ของพระพุทธศัตราและไม่ใช่ประเพณีของชาวอีสานอีกทั้งอีสานมีประเพณีไหลเรือไฟนั้นก็เพิ่มขึ้นมาในแม่น้ำโขงแต่ในบ้านนอกของนาในป่าในเขามันไม่มี เดี๋นี้มันต้องมาลอยกระทงในสกอสชาที่รัฐบาลขุดมาให้ใช้น้ำเลยมาทําให้สกปรกเลยด้วยมันเป็นไปในเชิงเศรษฐรกิจธุรกิจโฆษณาสินค้าขายกระทงประกวดนางมัพมพม่าส่งเสริมการมาหลงไปทางโน้นเอาไปมาพระสงองค์เจ้าเป็นตัวตั้งตัวตวีเองจัดงานลอยกระทงขึ้นมาที่วัดเย็บกระทงมาไว้ขายเป็นสี่ร้อยห้าร้อยกระทงเมื่อซื้อกระทงแล้วก็ให้ไปอธิษฐานร่วมกันระวางังนมสาวปล่อยเสร็จ หายกระทองได้มาหลายพันแล้วก็จ้างหนังมาให้คนดูเท่านั้นเองไม่มีเรื่องราวของธรรมะที่จะทําให้จิตใจสูงสงขึ้นมาอะไรเป็นไปเพื่อเกษตรกจเป็นไปเพื่อผานนิสการค้ามันมาเพื่อเกษตรฐกิจ เ, เหมือนกับประเพณีของฝรงัวาเลนไทยวันวาเลนไทยนั้นเกิดมาก่อนพระเยซูเกิดมาก่อนพวกชาวคริสจะมีคริสต์ศาสนามันเป็นประเพณีรูปปคูสลูปเปอร์คาริเของชาวโรมัน ตา้งแต่เดินกุมภาเป็นต้นไปถึงฤดูใบไม้ผลิมู Movie, โโวิ่หกนกกาปักษินชาติในเมืองญี่ปุ่นนั้นอ่าในเมืองยุโรปนะ้มาเริ่มผสมผันธ์กันทำรวมทำลังกันจูจี er, เขาเลยถือว่าเป็นนิมิตแห่งความรักของเขาต่อมาพวกศาสนาคริสต์ก็มาสวมทับจับรอยซับเบเมเข้า ม, มาผสมประสานสร้างเรื่องราวเมฆขึ้นมาเรื่องนักบนวาเลนไทยเอาไปเอามาวาเลนไทยมีสองคนเดียวนี่เขาปลดออกจากคำเงียบนับบุญแล้ว ที่วาดิกลันเขาก็ไม่ยอมรับนักบุญวาเลนไทยกันอิมันเป็นเรื่องไม่มีตัวตนสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็เพิ่งจะรู้ไอ้จิตโนหนาวขึ้นมาเด็กเนี่ยแต่คนไทยก็ยังหลับหู้หรับตาคูัวาอาจารย์จากกิจกรรมวาเลนไทยถือดอกไม้แดงแดก่แดงวาเลนไทยวันแห่งความรักมอบดอกไม้สัญลักณ์แห่งความรักให้แก่กันและกันหลังแก่นั่นก็โฆษณาสินค้าอย่าลืมนะฉลองวันวาเลนไทยพาคนที่คุณแฝดรักเนี่ย ไปดูภาพประโยชน์เรื่องนะั้นเรื่องนี้หรือไม่ใช่หนันก็มอบของขวังอันเลอค่าให้แก่คนที่รักของคนเซ็นท่านพาซาอย่าลืมนะคะรับพบกันที่นั่นเราเตรียมไว้ให้แล้วโฆษณาสินค้าเสร็จหลับหูหลับตาหลังไหลไปกันต่อมาก็เกิดมีร้านค้าจำรูปนกโลงกาจูจี้กันขายอ่เป็นเพืนคนที่จดประโยชน์ก็คือนักการค้าเอง มันมากับเศรษฐกิจมาพร้อมกับความมืดเพื่อจะยั่วย่อหมองหมางจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กระทงลูกเด็ก เ, กเกล็กแดงรุ้จักหมด่วันเป็นเด้อนที่สองคุณพ่อค่ะคุณแม่ครับของเงินวันลอยกระทงไปซื้อกระทงลอยอา่าและประเพณีอันดีงามสื่อมวลชนมันมีเดียวอะไรต่างๆก็โฆษณากันโคมขอมันก็ตื่นตูมเป็นกระต่ายตื่นตัวไม่ใช่เป็นการตื่นตัวที่มีสติปัญญาแต่มันเป็นกระต่ายตื่นตูมมันไม่ใช่เป็นตื่นตัวอย่างชาวพุทธที่มีสติปัญญา เอาแววมาคนเท่าคนแก่ตายไปต่อไปนี่ก็เป็นประเจกนี้ที่ยิ่งใหญ่และร้อยกระทงดูอนสิบสองทั้งเจ้ามีการแหร่ทอดกระถิ่นกันแล้วก็ยังจะต้อง้อยกระทงวุ่นวายหานาง ม, พมาพม่าคนสวยๆมาประกวดกันนางยิ้มเหมือนยังน้ำฟันแห้งไปหมดฝุ่นตลบกบตลาดฟ้อนกันเยอะเย่อเย่อเย่อเห็นแล้วสงสามชาวพวกเราเลือกเกินทาไมจึงเป็นกันอย่างนี้ ผู้อย่างนี้ก็คงจะด่าามาเป็นกระบุงกระบุงยอมให้ด่าไม่เกิ ด, ไ ม, กดไม่เปลียนไม่ใด้เข้าได้สติปัญญาประกวดกันแล้วก็เป็นไปทางการมืออีกกลางคืนมันก็กิกนเหล้าฆ่าควายกันอีกสองสามตัวมีเทศกาลลอยกระทรงเดือนนี้ทางคาํขมจ้ามีเทศกาลกินป่าอีกนึงก็เทศกาลกินควายเทศกาลกินงัวเอาอีกแล้วยุ่งไปหมดไงจบหายกันแหละไม่ใช่า ญ, ญาชนทําไมจึงต้องมองมองกัน อ, อย่างเงี้ย อะไรลองคิดดูสทการกินปลาก็คือกินเล้านั่นแหละหาเรื่องที่จะชิปหายเงินกันเท่านั้นเองเมืองไทยจึงต้องจเจริญลงจเจริญลงไม่จเจริญขึ้นญี่ปุ่นแพ้สงครามลงมาตีร้แปดสิแปดเที่ยวใช้นี่ทั่วโลกจนกรอบยาะเย้ยแทแต่กินเกลือแต่เดี๋ยวนี้ร่ารวยฝลัง่งยังหวาดตัวเขามีธรรมะคือมีความประหยัดมีความไม่ฟุ้มเฟือยมีความขยนันมีการครบคนมดีๆและสานความคิดที่จะทํามาหากินเขา้า เรียกว่าเขามีคุณธรรมทีรรม่จะสถาบันกระทำประโยชนม์มีอุทานนะขายันอัละขะไม่ฟ่มเฟืยสมาชีวิตาประจักต์รยามิตรตาฟเฟ่เพรมันเส ว, วนากันแต่คนผูร้รู้หาเรื่องที่จะทําให้มันเจริญขึ้นไม่ใช่หาเรื่องเถศการกินปลาเถศการกินควายเทศการกินงูขึ้นมาเลยจุงเทศการร้อยกระทงแหงนางนุ่มนปมาณประกวดกันอย่างเนี้นีชาวคริ เขาก็รู้แล้วว่าวาเลนไทยนั้นเป็นเรื่องจอบปลอมเป็นเรื่องหลอกลวงกันเช่นเคยเมืองไทยยังหลับหูหลับตาบูชากันโยูในโรงล่ำโรงเรงยซ้อนเด็กให้เข้าใจอย่างนี้เลววิสาขามาคฆาสาระขวันที่จะทําให้จิเจสะอาสวัะกงบนี่เป็นอย่างนี้ ท, ที่นี่กระทองของเราก็เลยมาบอกว่าสวมทัพจับรอยมาเป็นเรื่องบูชารอยพระบาทร้อยสรบาทนี่อยู่ที่ไหนเอาละเรื่องนี้มันมีเรื่องราว่ามีพระมหาสมภพองค์หนึ่งในจํานวน สิทธิ์มหาสาวกเชนเดิมมีชื่อว่าปนนุณณะเกิดที่เมืองท่าชื่อสุปารากะในแคว้นสุนาปันตะสุนาปรันตะเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นในประกอบการค้าขายร่วมกับน้องชายพัดกันนากองเกวียนห้าร้อยเรือเกี่ยวค้าขายตามหัวเมืองต่างๆคราวหนึ่งน้องชายยกฟอกว่าปุณณะพี่ชายได้นํากองเกวียนออกค้าข า, ขายผ่านเมืองต่างๆเมืองแล้วเมืองเล่าบางครั้งก็ไปทางเลือกจนมาถึงที่เมืองสาวัตถีพักกองเกวียนอยู่ใกล้พระเชตวัน เมื่อรับประทานอาหารเช้าและก็นั่งพักผ่อนกันตามสบายในขณะนั้นเองปุณณนะเดมองเห็นชาวพนัคนครสาววัีแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยพากันเดินไปยังพระเชษตะวันเพื่อวังธรได้ไตถามทราบความแล้วก็ดีใจจึงพาบริวารเดินตามเ ข, าเข้าไปโศพระวิหารเชตะวันที่ว่าเขาไปมากๆแล้วก็คงจะต้องไปมื่งไหร่เพื่อจะได้ค้าขายของดีๆคนเ ย, เ ย, เยนอะๆในโฆษณาสินค้าในพอคามต้องหายใจเป็นกําไรอย่างเนี้ย นทีสุดก็เลยได้ฟังธรรมโดยบังเอิวฟังธรรมจากพระผู้มีภาากาเจ้าเกลความเริ่มใสอ ย, ยากจะบวชวันรุ่งขึ้นก็ถวายอาหารมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีผู้ได้เรรยนประทาดแล้วก็มอบหมายธุรกแก่เจ้าหน้าที่ที่คุมของให้นำสมบัตไปมอบให้แก่น้องชายและตนเองก็ออกบวชในสำนักภาษากะดาษประโยชน์อะไรกับการที่ อ, อกไปที่ อ, อกมา เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปได้มากก็ดีใจสี้นไปก็โศกเศร้าได้กาไรขาดทุนหัวเราะร้อ ง, องให้ภูภูแฟแฟดบวชดีกวา่าหาทําที่สุดแห่งทุกในที่สุดก็ได้ปวดเมื่อบวชแล้วทังก็เลยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะต้องกลับไปที่สุนาปันตะแต่เมืองนั้นเป็นเมืองคนโหดมากแม้แต่พระองค์นั้นเมืองนี้นเป็นเมืองคนมิจฉาทิฐิโหดร้ายสามานก ไม่พอใจจะต้องด่าว่าทุกตีต่างๆเป็นเมืองที่คนใจต่ำมากท่านก็เลยไปเฝ้าพระสารเสดาจขอฟังโอกวานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงทําอย่างนี้สิจึงจะถึงที่สุดแห่งุกไปเห็นสักแต่ได้เห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินได้ฟังสักแต่ได้ฟังได้สราบสักแต่ได้สราบรู้แจ้งได้ตระแวงหาได้พิดน้าด้วยใจอะไรต่างๆให้มันเป็นเพียงสักว่าเฉยๆจะไปยึดมันหรือมั่นพอใจไม่เสียใจ พอใจหรือไม่พอใจแล้วเถอก็จะพ้นไปจากทุกหลงังจากนั้นทถึงกับกราบลาผมข อ, อปฏิบัติธรรมกรรมฐานจเฉพาะผมเองไปที่ไหนพุทธยากลับถามมันแตงบอกว่าจะไปที่สุนาปนันตะฮะฮะพุทธยาบอกว่าที่นั้นในเมืองคนโง่ไม่มีใครปรารถนาะจะไปเธอจะไปถ้าอย่างไงไหนเราขอถามหน่อยสิถ้าเขาด่าเธอจะทํายังไงท่านบอกว่าดีครับเขาด่าดีกว่าเขาคว้างด้วยก้อนดินถ้าเขาขว้างเธอด้วยก้อนดินเธอจะทํายังไง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 เขาไม่ฆ่าก็จะตายอยู่แล้วไหวนะพูดได้ยับอกซาทุกทายอย่างนั้นเธอไปได้มันต้องอย่างนี้สิเรียกว่านักรบใจสิงในที่สุดท่านก็ได้ไปอยู่สุนาปนันตะเมืองคนโหดย้ายไปย้ายมาสีแห่งเขาด่าเขาว่าหนึ่งที่สุดท่านก็ชนะใจเขาได้ตัสรู้เป็นพระ อ, อรหันต์แล้วก็เอาชนะใจชาวสุนาปนันต์ตะชาวชนาปนันต์ตะไปค้าขายต่างเมืองมค อ, อผอากั่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 แต่ที่นี่รัฐบาลไทยก็จับนะใครไปหาตัดไม้หอมไม้จันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาตัดเอาไม้จันกลตับมามาถึงกลางทะเลมันก็เกิดพายุมันางรุนแรงพวกผู้ปีศาจอะไรต่างๆอมนุษย์เขาไม่พอใจทีนี้เขาก็ปาตนาขอให้อธิษฐานใจขอให้ท่านปุนณะมาช่วยทาา่านเอ้ยไปช่วยเขาเอาชนะใจได้เขาก็เลยเอาไม้จันมาสร้างมาสร้างอะไรมาสร้าง ศาลาเรียกว่าจันทน์ศาลาขอถวายท่านท่านบอกว่าอุย้ยศาลาไม้จันทร์ี่มันหอมกล่นทั้งปีไม่มีที่ไหนเขาสร้างขึ้นมาได้ข้าพเจ้าไม่ปราถนาไม่ควรค่าที่จะรับเพราะมันมีค่ามากคนที่ควรค่าจะรับศาลาไม้จันทร์ต้องเป็นพระพุทธเจ้านูน่นพระสาสดาอานเป็นหัวของข้าพเจ้าสร้างขึ้นแล้วพระองค์อ่าพระปุณณะนี่ก็ไปนิมนต์พุทธจ้าที่เชตตะวันมาครับพูดง่ายแบบโบราณของเราที่บอกว่า เพื่อนให้สร้างบุญหน่อยเยสุเอาดังมันยาวาสนเข้ามันหยาปา ก, ม, กาาามันก่วงกินี้หาหญยาบบวทองมันก็คนไม่มีเกียรติยศศักดิ์สิทอย่างอดามานีคนหนึ่งละ่ะไม่ควรคาดว่าใครจะมาถาวายรถยนต์ให้สักคันหนึ่งก็เหมือนเพื่อนให้สร้างบุญหน่อยสิบวเอาดังมันเน่าสนเข้ามันยากครับไม่ได้ผสมองค์เจ้าให้คนเออมาครับบพ่อยุ่งเอก เปล่ามันกว่างหาหยาบบท้องกินน้ำมันเกลียน้ำมันฟืนท้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันมันอีกโอ้ยสาพัดอย่าเอามันเลยดีกว่าโยมอย่างนห้มาเทศนาว่าเอารถมาลับทาไมมีก็เดินมาทามาไม่ทันก่อนแล้วกันไปเจ้าอย่างี้ท่านก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาับพรุทธเจ้าของเราทเกามารับโอ้มาชื่นชมผลงานลูกศิษย์ของนั่นชนะน้าใจคนโหดได้ท่านก็เดินทางมาวันละโยดโยดวันละสิบกกิโลอาจจะมาเดินมากกว่านั้น เดินจากพระธาตุพนมผ่านดงมวกกับถึงนงครพนมมาแบก บ, บริขารมาด้วยอย่างเงี้ยเดินได้าไม่มีรถขี่สมัยนั้นท่านก็มารับพ่อเดินมาถึงภูเขาสัจพันธ์ก่อพบสัจพันธ์ท่านนิคนสัจพันธ์ท่านนิคนก็ขอฝังธรรมแสดงธรรมให้ฝังเป็นพระอรหันต์ตามไปด้วยมาจถึงสุนาปนันต์รับจันทน์ศาลาเสร็จนอนอยู่นั่นสามคืนท่านก็นเดินกลับไปถึงแม่น้ํานัมาทานนาทีพบนัมมาทารณา ก็เรื่องใสท่านแสดงทําให้ฟังนัมมาทานะนาคก็ปรารถนาอยากจะมีสิ่งที่ระลึกไว้กลับไปพอองค์ก็เข้าอีทาพิสังขารเหยียบพระบาทลงไปในแผ่นหิริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็เป็นที่ระลึกมาถึงเขาสัจพันธ์ก็ให้มีคนอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปมีคนก็ปรารถนาสิ่งไรลึกสำหรับเยียบรอยเท้าเพื่อให้เขาได้บูชาเฮ้ยวะพระเจ้าเรียบโลกหลังจากนั้นก็เกิดรอยพระบาทขึ้นเราก็เลยบูชารอยพระบาทที่รู้ว่า พระเจ้าพันทกิริเกสุ ม, มันจรเกสุมันภูเตโยนกับปูเรนมะานติยาปัญจา ป, จ า, ปาทาวราทานังอ่างวันธามิทุระโตที่เราสวดกันปัญจะปาทวราทาหนังราะพรบาทห้าอันที่ประดิษฐานไว้กราบไหวกันอยู่นั่นแล้วก็เลยสวมทับจะร้อยว่า100ร้อยไปทีปปล่อยกระทงลอยลงสู่ของขาทู้นมะทานะทีสีบวรเอาเพื่อ บูชารอยบาทพระสัพดาแต่เดี๋ยวนี้รอยกระทองมันไม่มีความหมายในการบูชารอยพระบาทดอกมันมีความหมายทางการมารมณประกวดนางนพมาศคนสวยในท้องถิ่นหลังจากนั้นก็รอยกระทงอธิษฐานความรักพิ้วรมหนาวเปล่าว่างบางขณะดอกรักละกรีบปล่นอย่างหมดหมองม่านราตรีที่บังริมฟังคลองจันทร์สีทองเพิ่งจะแย้มบนแก้ฟวฟ้าถือกระทองดอดเดี่ยวดูกเกลียวขึ้น แอบสะอื้นในดวงใจหัวให้หาโอ้ยอรักโยไหนใหญ่ไม่มาว่าก็ไปนั่นแล้วลึกเรียกล้องแล้วห้อยหาหอยหวนถึงความรักอะไรต่ออะไรไม่มีความหมายในทางที่จะบูชารอดพระบาความจริงรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าของเราจริงๆมันมีอยู่สามรอยในโลกนี้ตลอดศาสตคือรอยแห่งพระเมตตาขณ์รอยแห่งกรุณารอยแห่งความบริสุทธิ์และรอยแห่งความมีสี่ ป, ปัญญาปัญญาที่คุณ วิสุทธิคุณคุณเองความบริสุทธิ์เมตตากรุณาคุณคุณเองความเมตตาอันใหญ่เดียสามรอยนี้ประทับไว้ในโลกปกเก้าคุ้มของโลกให้สงบร่มเย็น ไ, ได้เมื่อใดยังมีปัญญามีเมตตามีความบริสุทธิ์